50ปีก่อนเนี่ยมีพระลามะพระธิเบตท่านหนึ่งนะจนชื่อลามะเยเช่นะลามะี่แปลว่าอาจารย์เราคงทราบดีแล้วว่าเมื่อสักเกือบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยนะจีนเข้าไปยึดธิเบศพระธิเบ ต, เบตก็เลยอพยพหนีมามาอยู่ที่อินเดียแล้วก็ตอนหลังก็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 สังคมที่นั่นเท่าไหร่ว่ามันคนเขาอยู่กันยังไงแต่ว่าสามารถที่จะทําให้คนอเมริกันซึ่งมีความรู้ทันมาสนใจทําสมาธิตั้งก็บอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะเรื่องสมาธินะจะทําสมาธิก็มีแค่2 อ, อย่างเท่านั้นแหละก็คือหนึ่งนะหายใจ ม, มีลมหายใจหรือเปล่านะ ถ้ามีลมหายใจนะอันนี้มันก็ทําสมาธิได้ละสองมีความเมตตากรุณาไหมท่านจะถามคนแค่นี้แหละฝรั่งเขาก็กลัวนะว่าสมาธิภาวนาเป็นเรื่องยากท่านก็จะถามเนี่ยมีมีสองอย่างนี้ไหมหนึ่งที่มีลมหายใจไหมสองมีความเมตตากรุณามไหมถ้ามีสองอย่างนี้ก็ภาวนาได้ท่านก็ว่าอธิบายว่าลมหายใจเนี่ยมันก็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 ทำสมาธิได้แล้วถ้าท่านทาแห้สมาธิพนากรเป็นเรื่องง่ายนะไม่ต้องมีพิธีรีตองมากนะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเป็นหรือไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นไรนั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งเก้าอี้ไม่ต้องรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ต้องรู้ประวัติพระพุทธเจ้านะไม่ต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ได้ ให้มาทำเลยนะก็ปรากฏว่าคนก็หันมานะมาทำสมาธิภาวนาท่านก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะท่านังที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่หลวงปู่มันเนี่ยสอนให้ชาวเขานี่เขารู้จักสมาธินะโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรมาก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 ก็เลยต้องหาที่พักแรมจำพรรษาก็ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนะหมู่บ้านนี้นี่ก็มีที่สงบสงัดก็สืบความก็ได้ความว่าที่ที่สงบสงัดนั่นเนี่ยมันเป็นที่ของอเศรษฐีนีคนหนึ่งนะชื่อว่านางมาติกามาตานะก็จะว่าเป็นเป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านนะ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 ซึ่งมากันหลายรูป ก, ก็เมื่อได้ที่จับมรนสาแล้วก็ตกลงกันว่าจะแยกแย้ายกันไปปฏิบัติคนละทิศคนละทางนะจะไม่มีการพบปะ พ, พูดคุยกันยกเว้นว่าเวลาได้เวลาอาหารก็มาก็มามาบินทบาทนะมารับบินทบาทแล้วก็แยกแย้ายกันไปฉันจะมาเจอกันก็ต่เมื่อมีเหตุ และเหตุนั้นเนี่ยนะเหตุที่จะต้องมีประชุมก็คือต้องมีการตีะระฆังนะเมื่อมีการตีะระฆังก็จะแสดงว่ามีมีเหตุที่ต้องมามาพบปา ก, กันแต่ถ้าไม่มีเสียงะระฆังก็ย้ายยายกันไปปฏิบัติก็เป็นไปอย่างนี้นะอยู่พักใหญ่นางมติกามามตาก็ให้คนใช้เนี่ยมาเอาอาหารมาถวาย มาใส่บาทวันละครั้งแล้วก็มีวันหนึ่งนางก็อยากจะมาพบปานะอยากจะมาไต่ถามข่าวคราว่าพระท่านอยู่กันสบายดีไหมมาถึงก็ปรากฏว่าเงียบสงดไม่เจอใครเลยคนใช้ก็เลยบอกว่าต้องตีละครั้งนะพระถึงจะมาก็ตีละครเป็นสัญญาณ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 อนนี้นางปิการมาตาได้ยินก็สงสยัยก็สนใจว่าออมีการปฏิบัติด้วยเหรือปฏิบัติอย่างไรนะพระที่เป็นผู้นําก็อธิบายนะว่าปฏิบัติด้วยการพิจารณาอาการสายสิบสเรียกว่ากายคตาสตินะเราก็คงสวดเป็นประจำอยู่แล้วนะกายคตาสติหรือว่าการพิจาราการสายสองว่าเกษาโรมานะขาทันตาตาโจเนี่ยนะนี่ น, ะนางก็สนใจนะก็เลย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 ของพระก็นะอย่างจิตไปพิจารณาดูว่าพระที่มาปฏิบัติในที่ยงนั้นเป็นอย่างไรก็พบว่ายัางเป็นปุถุชนอยู่นางก็สงสัยเอาทำไมการปฏิบัติมีอะไรติดขัดไหมนะถึงยังไม่เจริญก้าวหน้าพิจารณาไปก็พบว่าอ๋อเป็นเพราะว่าอาหารไม่พอเพียงนะอาหารคงจะน้อยไปหน่อยนะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้เจ้าแนะนำนะพระหรือว่ า, าผู้สนใจไฟธรรมเนี่ยให้ปฏิบัติเนี่ยก็ท่านจะพูดถึงเรื่องสับ ป, ปะยะสัพ ป, ปะยะแปลว่าสบายสับะยะสบา ย, ะปปะยะนี่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสบายแล้วนั่งเล่นนอนเล่นนะสบายะนี่แปลว่าเกื้อกูลต่อการปฏิบัติแล้วก็สับ ป, ปะยะข้อหนึ่งก็คืออาหารนะการ สถานที่โคจรหาอาหารบินธรมบาด <c oughs> สะดวกแล้วก็อาหารก็พอเพียง อ, อันนี้แลเรื่องนี้ก็ยังชี่เห็นว่าเนี่ยขนาดคนที่ไม่รู้ธรรมะอะไรเลยนะคือไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เคยได้ยินชื่อพุทธเจา้าเลซ้ำแต่พอปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติถูกน ะ, ะก็เห็นผลได้ทันทีเหมือนกัน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 แต่ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติได้ถูกไม่วางใจถูกต้องไหมพุทธศาสนาจะมีคำคำหนึ่งนะคือทำมานุธรรมมาปฏิบัติแปลว่าบันที่ก็แปลว่าปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมอนนี่เป็นคำที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมเนี่ยนะมันก็เกิดอุปสรรคนะเกิดความลาบากขึ้นได้ ปฏิบัติธรมโดยสมควรแก่ธรรมนี่หมายความว่าอย่างไรก็เช่นว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรปฏิบัติธรรมแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้อ ง, ต, องต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายคืออะไรก็ปฏิบัติผิดได้ถึงแม้รูปแบบจะถูกนะอยกตัวอย่างเช่นง่ายๆในการให้ทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะจุดมุ่งหมายคือว่าลดความตันหนีนะ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 แต่ถ้าภาวนาเพราะเหตุอื่นนะต้องการโชต้องการอวดคนนี่อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติผิดละหรือว่าต้องการเห็นสีเห็นแสงนะหลายคนก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยภาวนานะเพื่อจะได้เห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตเพื่อได้ไปนรกเห็นนรกสวรรค์หรือว่าเพื่อได้มีอภิน ญ, ญาเหาเหินเดินอากาศได้อันนี้ผิดละเรียกว่าไม่ปฏิบัติสมควรแก่ทำ แล้วคนที่ปฏิบัติผิดแบบนี้ก็เยอะมากเพราะว่าไม่รู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินะเราทำในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรอีกอันนึง ก, ก็เช่นสันโดษเนี่ยสันโดษแปลว่าพอใจสิ่งที่มีนะยินดีสิ่งที่ได้แล้วก็รวมทั้งการอยู่แบบง่ายๆนะอยู่แบบสมถะนะอันนี้เนี่ยมันช่วย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 เพราะนั้นเนี่ยจะเข้ามาผสมจะเข้ามาร่วมสังขารานี้ได้นี่ก็ต้องเป็นพระอรหันต์และที่ท่านต้องเข้าร่วมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงจำพัทธคำสอนของของพระพุทธเจ้าไว้เยอะมากเพราะว่าเป็นอุปถาก น, นะนะเป็นอุปถากนะเป็นปัจฉาสมณะนะติดตามพระเจ้ามาประมาณ20 30ปีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทรงจําคําสอนของพระเจ้าได้ดีและ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 ก็ยังไม่บรรลุธรรมนะท่านก็รู้สึกเหนื่อยนะก็ก็เลยจะขอพักสักหน่อยนะระหว่างที่ท่านเนี่ยระหว่างที่ท่านานั่งพักเนี่ยเริ่มจะนั่งพักที่แค่นะก้นนี่ก็สัมผัสแค่แล้วเท้าก็ยกจากพื้นศีรษะก็ยังไม่ทันจะถึงหมอนเลย บอนะกกัว่าพอท่านผ่อนคลายเนี่ยพอผ่อนคลายเลยนะก็บรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเป็นพระหัน์ในท่าที่ไม่เหมือนใครนะก็คือว่าไม่ใช่ท่านั่งท่านอนแล้วไม่ใช่ท่ายืนหรือเดินนะไม่ได้อยู่ในระยะบททั้งสี่เลยเพราะว่าอยู่ระหว่างคือรึ่งกลางๆนะเท้าลอยจากพื้นส่วนศรีรษะก็ยังไม่ถึงหมอนนะ ก็มีคําอธิบายว่าที่ทําไม่บรรลุธรรมเพราะว่าท่านทําความเพียรมากทําความเพียรมากจิตเลยฟุ้งซ่านนะท่านก็คงรู้นะว่าทําความเพียรมากไปต้องพักผ่อนอันนี้ก็อาชีเห็นว่าเนี่ยทําความเพียรมากไปก็ไม่ใช่ว่าดีนะนะมันต้องมีความพอดีพอดีความเพียรที่พอดีนี่ภาษาบาลีเขาเรียก ว, ว, ว่ิริยะสมัตตานะวิริยะสมัตาทําความเพียรแต่พอดี ทำความเพียรมากไปนี่ก็มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านได้นะคราว น, นี้จิตของพระนรินีรท่านสมดุลนะตอนที่ท่านกำลังจะพักนะพอพักนี่จิตก็ผ่อนคลายที่เคยตึงก็เคยก็กลับมาสู่ความสมดุลก็บรรลุ ธ, ธรรมเลยก็เป็นนั้นว่าสามารถจะไปร่วมสังคยตนาได้น ะ, นะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการ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 หรือว่าวิริยะทําความเปี่ยนมากไปแต่สมาธิอ่อนก็ไม่ได้เหมือนกันและตัวที่ทําให้เกิดความพอดีพอดีนะก็คือสตินั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบสติว่าเหมือนกับาสารถีนะที่คุมรถมา้านะม้าสึกนะม้าสึ ก, ม, กมันก็มีหลายตัวนะสมมติมีสี่ตัวเนี่ยนะมันก็ต้องแต่ละตัวแต่ละตัวก็นี่ก็ต้องพอดีพอดีนะต้องวิ่ง ได้ประสานกันและตัวและคนที่ทำให้วิ่งได้พอดีๆ ป, ประสานสอดคล้องก็คือสารถีนะอันนี้คือเปรียบได้กับสตินะสะติก็ทำหน้าที่ทาให้ศรัทธาปัญญาวิริยสมาธินี่นะไปได้นะอย่างสอดคล้องกันทั้งห้าเนี่ยเราเรียกว่าอินซีห้าหรือพระห้านะก็มี สตินี่แหละนะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความพอดีพอดีนะให้ธรรมะนี่นะไปด้วยกันได้อย่างสอดคล้องกันอันนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติหนะ้าที่พวกเรานะจะต้องระลึกไว้เสมอนะไม่ใช่ว่าทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ทำแบบแตะพึตะพือหรือว่าไปติดที่รูปแบบนะไปสนใจแต่รูปแบบว่าเออมันต้องยกมือนะมันต้อง อ, อ่า นั่งหลับตานะหรือว่าเดินจงกลมนะจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบเลยนะไม่ว่าทำอะไรถ้ามีสติมีความสึกตัวนะแล้วก็มีความพยายามที่จะรู้เท่าทันกิเลสนะพยายามปล่อยวางหรือว่ามาไม่ให้กิเลสเข้ามาครองใจนะก็เป็นการปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าจะยังกาลังถูฟันอยู่กาลังอาบน้ำอยู่ หรือว่ากำลังนอนอยู่ก็ก็ตามนะอย่างพาน น, น, นท่านก็ไม่ได้บารุรรมในขณะที่เดินจงกรมนะหรือว่านั่งนะท่านก็บารุธทรำรนรัที่กำลังจะพักผ่อนนะอันนี้ให้ให้เราจับหลักให้ได้ของการปฏิบัตินะมันถึงจะเกิดผล